ส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนกรรมฐานไม่เคยเรียนนะแรกๆก็เข้าใจยากนิดหนึ่งอดทนนิดแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะไปฟังเมื่อวานได้ยินเขาส่งกันบ้านนะเขาฟังสองเดือนฟังซีดีอยู่สองเดือน่าวนาเป็นแนละ้วอยากทัดอยากขันได้เห็นขั น, สนแสดงใจรักได้ คือที่เราพยายามฝึกกันนะฝึกเพื่อจะมาสู่จุดที่เราสามารถเดินปัญญาได้ศาสนาพุทธไม่ได้ตําต้อยมีแค่เรื่องประเพณีเรื่องทำทานเรื่องถือศีลเรื่องนั่งสมาธิเอาความสงบถ้าเป็นแค่นั้นไม่ต้องมีศาสนาพุทธก็ได้สิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธเราไม่เหมือนใครเลยก็คือเรื่องของการเจริญปัญญา พุทธเจ้าได้ค้นพบว่ามิตีการเจริญปัญญาเนี่ยทำให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้และพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพาไม่ยึดถือในรูปธปรรมนามธรรมทั้งหลายจิตมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะจิตมีความอยากมีความอยากก็เข้าไปยึดยึดทั้งรูปธรรมยึดทั้งนามธรรมของตัวเองก่อนแล้วก็ยึดของคนอื่นต่อไปอีกก็เลยมีภาระทางใจขึ้นมามีความทุกข์ ก็สิ่งที่เรายึดไว้แปรปลวนไปนะเราก็เสียใจหรือสิ่งที่มันเผชิญหน้าอยู่เนี่ยเป็นของที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่สบายใจอยากให้มันพ้นไปเร็วๆการเจริญปัญญานะพระพุทธเจ้ายืนยันบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะพวกเราสมัยก่อนนะชอบนั่งสมาธิแบบไม่มีเหตุมีผล ให้คิดว่านั่งสมาธิเรื่อยๆเราจะบริสุทธิ์หลุดพน้นนั่งสมาธิไม่บริสุทธิ์หลุดพน้นแบบคนละเรื่องกันเลยนั่งสมาธิเป็นแค่การเตรียมความพร้อมของจิตนี่สมาธิจํานวนมากเลยมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วมัสงบสบายมีความสุขอยู่เฉยๆไม่เดินตัญญาบางทีก็เห็นโน้นเห็นนี่ออกไปนะสมาธิเห็นออกข้างนอกไม่เห็นกิเลสตัวเอง งนอย่างถ้าใครเขาบอกเขานั่งสมาธิเขาเห็นผีเห็นเทวดาเห็นชาติหน้าเห็นชาติโน้นเราฟังก็เออเก่งๆนะแต่เราก็รู้หลักว่าสมาธิที่ดีที่สุดสมาธิเห็นกิเลสตัวเองเมอเราเห็นกิเลสตัวเองแนละ้ววันหนึ่งเราถอดถอนกิเลสออกจากใจได้ใจก็เข้าถึงความบริสุทธินะ์งันสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิออกนอก เที่ยวไปเห็ น, น, นโนอนเห็น น, น, นี้อันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสมาธิอีกชนิดหนึ่งดีเหมือนกันคือสงบจิตใจได้พักผ่อนวิธีทําสมาธิให้จิตใจสงบพวกเราเรียนไว้ก็ดนะีเพราะเราอยู่ในโลกที่เน็ดเหนื่อยมากถ้าเรารู้จักทําสมาธิให้จิตใจสงบเราก็มีที่พักผ่อนะไม่เสียสตังพักผ่อนอย่างอื่นเสียสตังแล้วมักจะฟุ้งซ่านตามมา ไปกินเล่าพักผ่อนนี้นะก็ฟุ้งซ่านตามมาไปเที่ยวพักผ่อนอะไรต่ออะไรก็ฟุ้งซ่านตามมาอีกจะถัดทําสมาธิชนิดพักผ่อนบ้างก็ดีสมาธิชนิดพักผ่อนนั้นทําให้จิตใจสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวธรรมชาติของจิตนะั้ฟุ้งซ่านตลอดเวลานะเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกเดี๋ยววิ่งไปทางลิ้นเดี๋ยววิ่งไปทางกาย เดี๋ยววิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเนื้อใจมันวิ่งตลอดเวลาเลยที่ใจมันวิ่งไปก็เพราะมันวิ่งหาความสุขนั่นแหละแต่มันหาไม่ค่อยจะได้อย่างเราไปดูรูปเราก็หวังว่าจะมีความสุขดูสักพักก็เบือ่อไม่มีความสุขแล้วต้องไปฟังเสียงยังไปดูหนังดูแล้วเบือ่อดูจบแล้วหรื อ, อยังไม่จบก็เบื่อแล้วก็ไปหายางอื่นดูต่อไปหาของจีน หาของกินก็หวังอย ห, หาความสุขหาผัสสะทางลิ้นอาสการกระทบทางลิ้นกินของอร่อยกินทีแรกก็อร่อยนะกินไปกินไปมันก็ไม่อร่อยอีกละมันก็เบื่ออีกใจมันเบื่ออารมณ์อย่างนี้มันวิ่งหาความสุขไปอย่างอื่นอีกเห็นสาวคนหนึ่งไปจีบเขานะวังว่าจะมีความสุขจีบมาได้มีความสุขนานๆเบื่ออีกลวอยากวิ่งไปที่อื่นอีกเนะี่ยใจมันหิวตลอดเวลาเลยนะมันหิวอะไรหิวอารมณ์ มันหิวอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากอยากคิดนึกทางใจให้สนุกสนานเพลิดเๆิน ม, มันหิวอารมณ์อยู่ตลอดเวลาการที่ใจมันหิวอารมณ์ตลอดเวลานั้นเพราะมันไม่เต็มอิ่มอารมณ์นั้นนันไม่ได้ให้ความสุขมันจริงมันสัมผัสความสุขอันนี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เบื่ อ, อวิ่งไปหาอื่นอีกทาให้ใจฟุง้งซ่านถ้าเรารู้หลักอันนี้นะ วิธีทําสมาธิให้ใจสงบก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ล, ล้วเรารู้ว่ามันฟุง้งซ่านเพราะมันหิวอารมณ์มันอยากได้อารมณ์ที่มีความสุขเฉะนั้นถ้าเราอยากให้ใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเราก็ต้องรู้จักเลือกอารมณ์สังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนนะแล้วมีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างเล่นไพ่แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยด่าคนอื่นชกคนอื่นแล้วมีความสุขไงอารมณ์อย่างนี้ยั่วกิเลส มันไม่ไม่สุ k นานไม่สงบนานเอาอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสนะใจไม่กระเพื่อมแรงก็จะสงบได้นานคนไหนถนัดพุดโทโธเราก็อยู่กับพุโทโธนะอยู่พุโทโธอย่างมีความสุขพอใจมีความสุขกับการพุโทโธแล้วใจก็เลยไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อื่นมันสบายใจแล้วมันได้ของชอบใจนะหรือบางคนไม่ชอบพุโทโธนะบางคนชอบ แผ่เมตตาอยู่กับการแผ่เมตตาไปสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรงี้ก็ว่าไปใจสบายมีความสุขใจมันมีความสุขแล้วใจมันเลยไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อื่ น, นหรือถนัดรู้ลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตใจมีความสุขเราก็มารู้ลมหายใจเราเอาอารมณ์ที่จิตชอบนะมาป้อนให้จิตมัน หามาให้มันแทนที่จะต้องให้มันเที่ยววิ่งหาเอาเองมันมักจะหาอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมันหาไม่ค่อยเป็นหรอกเราก็เลือกอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเช่นะรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถนะอยากดูท้องพองยุบก็ได้นะดูท้องพองยุบไปถ้ามีความสุขนะถ้าดูท้องพองยุบแล้วเครียดอย่าไปทําไม่สงบหรอก กรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายด้วยใจนะเป็นกรรมฐานที่ดีเพราะจะต่อขึ้นเจริญปัญญาง่ายอย่างบางคนไปดูลูกแก้วเพ่งไฟเพ่งอะไรแล้วมีความสุขใจสงบได้สมาธิจริงนะแต่มันต่อขึ้นวิปัสสนายากงั้นเราพยายามทํากรรมฐานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกายกับใจของเรานี่แหละดีที่สุด แล้วเวลาต่อขึ้นเจริญปัญญานะั้นก็พลิกจากการที่ให้สงบอยู่ในอารมณ์บันเดียวคือกายกใจของเราเนี่ยอันแดอนหนึ่งนะพลิกมาให้เห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่พลิกนิดเดียวก็เห็นล้แต่ยังเราเป็นจุดเทียนเราไปนั่งดูไฟนะเห็นเป็นดวงเป็นแสงเป็นอะไรนะได้ความสงบบางคนชอบดูไปแล้วชอบสงบแต่จะขึ้นวิปัสสนาเนี่ขึ้นยากแล้วนะเพราะมันออกนอกไปออกไปอยู่ข้างนอก เราเลือกนะหาอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราที่จริงพระพุทธเจ้าเลือกไว้ให้แล้วเราลองไปดูสติปัฏฐานดูพระสูตรนะอย่าไปดูไอ้ที่คนชั้นหลังๆแต่งมันมั่วนซัวหนักขึ้นหนักขึ้นในสติปัฏฐานสี่เนี่ยพูดถึงอารมณ์สี่กลุ่มอารมณ์ที่เป็นกายอารมณ์ที่เป็นเวทนาคือความสุขทุกข์ อารมณ์ที่เป็นจิตอันนี้หมายถึงความปรุงดีปรุงชั่วเป็นจิตตสังขารและอารมณ์ที่เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมการรู้รูปธรรมนามธรรมอย่างหมวดกายมีหลายแบบใช้รู้ลมหายใจก็ได้ใช้รู้อิริยาบถก็ได้นะใช้รู้การเคลื่อนไหวก็ได้นี่รู้ได้ทั้งนั้ น, นบางอย่างก็เป็น เป็นสมถะอย่างเดียวจนะไม่ขึ้นวิปัสนาอย่างการพิจารณาปฏิกูลอาหารเป็นปฏิกูลอะไรพวกนีนะ้ได้สมถะเฉยๆแต่ไม่ขึ้นวิปัสนาที่ไปทำวิปัสนาได้นะก็เช่นรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถอิริยาบถก็คือยืนเดินนั่งนอนนะอีกอันหนึ่งสัมปชัญญะบัพพะรู้การเคลื่อนไหว นะ ไ, มไม่จำกัดอิทยิบาใหญ่ๆแต่ว่ากระดุกกระดิกนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกอยู่เนะี่ยถ้าใจเราชอบรู้กายนะเราก็ม่ใช้กายเป็นอารมณ์หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวใจมีความสุขอยู่กับการหายใจอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนนะมีความสุขอย่างนี้ใจก็สงบไม่ชอบอย่างนี้ดูเวทนาก็ได้นะ ความสุขเกิดขึ้นในกายรู้ความสุขหายไปรู้นะนเดี๋ยวมันจะต่อขึ้นวิปัสสนาง่ายนะเรารู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวนะอย่างใจเรามีความสุขเราก็รู้ไปสบายๆความสุขค่อยหายไปเป็นอุเบกขารู้อยู่กับอุเบกขาอย่างนั้นถ้าใจมันชอบนะมันก็อยู่อย่างนั้นนะมันก็สงบสบายอยู่กับอุเบกขาหรืออยู่กับความสุขนะเราใช้กรรมฐานนะที่พระพุทธเจ้าให้อ่ะ นจะเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเบื้องต้นทําให้เรามีสตินะแล้วก็ได้สมาธิได้ความสงบหรือถ้าเราน้อมใจไปอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเห็นร่างกายหายใจอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจรูปไม่สนใจเสียงไม่สนใจกลิ่นไม่สนใจรสนะรู้สึกแต่ร่างกายนีเอาอารมณ์เดียวรู้กายเห็นร่างกายหายใจนะถ้ามีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบลนะ้เคล็ดลับของการทําความสงบคือมีความสุข มีคนนะั้นเป็นด็อกเตอร์จเนสมากเลยแต่ว่าสมองอะสมองมันประเภทมันมีสารเคมีขึ้นมานะในสมองมันทำให้ตื่นตัวมากเอรตลอดเวลาเลยไฮเปอร์ Hyper อย่างแรงเลยก็ใจก็ฟุงฟ้งฟุง้งฟุ้งทำความสงบทำความเพียอไรอยได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะฟุง้งมีช่วงหนึ่งฟุ้งแหลกลานนะมาถามหลวงพ่อว่าทาไงจะสงบเนี่ยหลวงพ่อก็ถามกลับว่าทาอะไรแล้ว มีความสุขบ้างล่ะเขาบอกถ้าเขาร้องเพลงแล้วเขาจะมีความสุขร้องเพลงเนี่ยเป็นคาราวาส์ร้องได้ไหมไม่ผิดศีลใช่ไหมใช้ได้บอกเออไปร้องเพลงแต่ไม่ต้องร้องให้คนอื่นได้ยินนะมันทรมานคนอื่นเขาแล้ร้องของตัวเอง ง, ง, ง, ง, งุ้งงุ้งยิ้งๆิงไปนะอยู่คนเดียวสบายใจสบายใจปุ๊บจิตสงบแนะ้ะจิตสงบเข้ามาได้แล้วเคล็ดลับมันนิดเดียวเอง ทำอะไรที่มีความสุขนะจีก็จะสงบนะแต่ต้องดูนะอย่าให้ผิดศีลจนะไปด่าเขาแล้วมีความสุเนียผิดศีลไม่เอาไม่สงบจริงคนะ่ะวันหลังถูกเขาโชกเอาหนะลวงปูเทศนะเคยสอนสอนหลวงพ่อด้วยซ้าไปจึิงจริงไม่ได้สอนเจาะจงอะ่ะนี่หลวงพ่ออยู่ด้วยแนละ้วท่านพูดคนก็อยู่กันหลายคนท่านบอกว่าเวลาเราทางานเหนื่อยเหน่อยนะ แล้วเราอยากทําความสงบนีใช้กลั้นใจเอาเราลองกลั้นลมหายใจนะสักอึดหนึ่งนะกลั้นใจแล้วสังเกตความรู้สึกที่นิ่งๆลองรูใช้กลั้นใจแล้วสังเกตดูความรู้สึกที่นิ่งๆในใจเราแล้วหายใจไปแล้วก็รู้ความรู้สึกที่นิ่งๆอันนั้นต่อไปเลยหายใจต่อไปแล้วรู้ความรู้สึกที่นิ่งๆอันนั้นต่อไป มันจะอยู่ได้พักหนึ่งนะเดี๋ยวไม่หนีไปคิดฟุ้งซ่านลืมไปแล้วลืมก็กลั้นใหม่นะนี่เป็นวิธีที่จะพักจิตในเวลาอันสั้นแวบเดียวแค่กลั้นใจเท่านั้นเองสมาธิก็นะเกิดล้วพะฉะนั้นถ้าเราต้องการพักผ่อนนะเวลาเราทํางานเหนื่อยเหนื่อยหรือเวลาเรากําลังจะสติแตกแล้วไม่ใช่จตีกับเขาละนะกลั้นใจซะก่อนไม่ใช่เกรงลมปลาเนืชกเปรี้ยงแนละ้กลั้นใจแล้วจับความรู้สึกที่นิ่ง นี่ก็เรื่องของสมรรถนะใจถ้าได้พักบ้างนะใจจะมีความสุขใจจะมีเรื่องมีแรงใจไม่ได้พักเลยใจจะเหนื่อยครั้นี้มาฝึกให้ได้สมาธิที่อีกชนิดหนึ่งที่จะใช้วิปัสสนาทําวิปัสสนาสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันการที่จิตไหลไปถ้าจิตไหลไปแล้วเรารู้จิตไหลแล้วเรารู้นะมันจะเลิกไหล เมื่อจิตไม่ไหลไปจิตเขตั้งมั่นก็แค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองนะเหมือนอย่างต้องการสมาธิชนิดสงบนะเขอยู่กับความสุขไปอยู่กับความสุขไปนะใจก็สงบเลยอย่างรวดเร็วถ้าอยากให้ใจตั้งมัน่นและรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมัน่นนะความไม่ตั้งมัน่นเคลื่อนทันทีที่เรารู้มันจะดับอัตโนมัตินะเพราะความเคลื่อนไปนั้นเป็นความฟุ้งซ่านของจิตเป็นกิเลสทันทีที่สติรู้ทนันกิเลสกิเลสต้องดับนี่เป็นกฎของธรรมะ เราเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะทุกคนลองหลับตานะแล้วก็หายใจไปนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่จิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจบางทีจิตก็ไหลวกแวกวกแวกไปอยู่ที่อื่นสังเกตไปไม่บังคับให้นิ่งอยู่ที่ลมนะแค่เห็นร่างกายหายใจสบายๆแล้วก็รู้ทันจิตไปเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหม ทีก็เคลื่อนไปที่ลมเคลื่อนไปเคลื่อนมานะสติไม่ทันเคลิมไปเลยจะหลับในถ้าจะหลับในก็ลืมตาขึ้นมาอยาไม่ได้สอนให้นั่งหลับถ้าจะหลับจริงๆให้ไปนอนเส้ตื่นขึ้นมาแล้วมาทาใหม่ดีกว่านั่งหลับคอเคล็ดน่าลืมตาได้ใครรู้สึกซึมบ้างถ้ารู้สึกซึมแสดงว่าตอนที่นั่งตะเกียมโมหะแท้ โมนะหาแทรกสติเราไม่ทันแเพราะงั้นเราต้องใช้กรรมฐานที่หยาบกว่านี้หน่อยเนอะอย่างเรารู้ลมหายใจแล้วมันละเอียดไปสติตามไม่ทันนะก็เคลิมเคลิมไปเราก็ใช้กรรมฐานที่แรงขึ้นนะเช่นใช้ความเคลื่อนไหวนะนั่งขยับไปแล้วรู้สึกตัวถ้าขยับไปแล้วใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันหลักอยู่ที่อันเดียวนะคือทํากรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่บังคับจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์มันนั้นนะ ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วใจมันหนีไปจากกรรมฐา น, นนั้น đó, รู้ทันมันแล้วใจมันเข้าไปเพ่งอารมณ์มันั้นรู้ทันยังขยับมือเนี่ยใจไปเพ่งใส่มือรู้ทันใจมันเคลื่อนไปรู้ทันใจที่เคลื่อนเคลื่อนไปเข้าในมือเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องอะไรเนี่ยเคลื่อนหรือเคลื่อนไปคิดคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนใจจะตั้งมั่นขึ้นมาฝึกนะฝึกตัวนีตวน้ตัวนี้ตัวสําคัญมากเลยถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเรายังทํำวิปัสสนาไม่ได้ เพราะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอนะปัญญาจะไม่เกิดสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาเนี่ยคือสมาธิชนิดที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ใช่สมาธิสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะสมาธิที่จิตสงบในอารมณ์เดียวนยีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็น1นหนึ่งต่อหนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธจิตอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนเลยนะมีความสุขอยู่กับพุโทโธเนี่ยสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอารมณูพนิชานสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียว สมาธิที่ใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราไม่บังคับให้นิ่งจิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงเรามาฝึกให้ได้ตัวนี้นะถ้าไม่ได้ตัวนี้วุ้งภาวนายากงั้นเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้แล้วการพรณาการเดินปัญญาอะไรนี่จะเรื่องเล็กหนเลยไม่ยากเลยมันยากตรงที่จะฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นี่แหละ แต่บางคนว่าจิตเป็นผู้รู้จริงนะแต่ทื่อแข็งเลยอันนั้นผู้รู้ไม่ดีผู้รู้เนี่ยต้องสบายๆรู้ไปอย่างผ่อนคลายจิตที่เป็นผู้รู้ต้องครบองค์ประกอบเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานสังเกตไหมใจเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ทันตรงนี้นะเราเห็นใจมันเคลื่อนไหวใจมันก็จะกลับเข้ามารู้เน้อรู้ตัวรู้แล้วไม่ทรงอยู่นานหรอกนะ แล้วเดี๋ยวมันก็เคลื่อนอีกก็รู้อีกก็กลับมาการที่เรากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะกลับไปแล้วเราพัฒนาไปสู่การเดินปัญญาเราจะเห็นเลยใจนี้นะถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตนะก็จะเห็นเลยใจนี้มันไหลไปได้เองนะอลองไปฟังเสียงแล้วดูซิใจเรากับเพื่มได้เองไหม ใครเห็นใจไหวเรี่ยวๆตามเสียงระคังบ้างมีไหมลองยกมือซิเนี่ยใจเรามันเป็นนี้มันไหวเองรู้สึกไหมเราไม่ได้สั่งมันเนี่ยเราคอยดูที่มันเป็นเองนะมีปรัชนานะคือดูมอย่างที่มันเป็นเองไม่ใช่เราไปสั่งมันนะอย่างมันโกรธได้เองมันโลภได้เองมันหลงได้เองนะเวลาที่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันโกรธขึ้นมาเราจะเห็นเลยความโกรธกับใจเนี่ยโค่นล้านกัน ความโกรธกระใจเป็นคนละอันกันความโกรธผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเราห้ามไม่ได้เราสั่งไม่ได้นะหรือความสุขมันก็เป็นคนละอันกับใจใจเราเป็นคนดูใจเราตั้งมั่นอยู่เพราความสุขพูดขึ้นมาเราเห็นว่าความสุขมันแปลปลอมมามาแล้วมันก็ไปนะเราเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเป็นวิปัสสนานะอเห็นสภาวะจริงๆหรือเราเห็นว่าจิตมันไหวได้เองจิตไหวได้เองคือเห็นอนัตตานะ ตาเห็นรูปจิตเ็ไว่วหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวใจคิดจิตก็วหวเวลาเราคิดเรื่องร้ายๆจิตก็ไหวแรงๆเราคิดอะไรที่ยั่วอารมณ์แรงๆนะจิตก็กระเพิ่มแรงบางทีคิดๆอยู่ก็โกรธขึ้นมาเคยไหมนั่งคิดอยู่คนเดียวแล้วก็โกรธใจเต้นตุ่มๆเลยนะอารมณ์มันรุนแรงแล้วก็เห็นเลยว่าโอ้ร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็เปลี่ยนแปลงเวลากลัวนะทนกลัวซะ น่าซีดเลยนะตัวเย็นเลยใครเคยกลัวมากๆบ้างมีไหมยกมือซิกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวแบบมากเลยแบบตัวเย็นเฉียบเลยมันเห็นกลัวผีหรือเปล่าหรือกลัวอะไรแล้วเจอไหมเจอผีไหมก็มีเห็นบ้างนะเห็นก็สนุกดีเห็นบ่อยๆสิหนูทีหลังเลิกกลัวห <laughs> <laughs> ลวงพ่อตอนเด็กๆกลัวผีมากเลย ขนาดแมวที่บ้านตายนะลูกแมวนะลูกแมวตายนะกลางคืนเนี่ยพยายามจะไม่นอนเลยกลัวผีแมวมาเข้าฝันนะ่ะกลัวขนาดนั้นน่ากลัวผีอะ่นะเวลาภาวนานะทำสมาธิอะไรไม่เห็นหรอกไม่เห็นถ้าใจมีสมาธิใจไม่ออกนอกนะเราคอยรู้ทันใจมันเคลื่อนเรารู้ใจมันเคลื่อนเรารู้นะทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าอยากก้าวหน้าเร็วๆ จะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจอะไรก็ได้นะจะสวดมนต์ก็ได้จะบริกรรมเมตตาคุณอรหังเมตตาอะไรอย่างนี้ก็ได้บริกรรมแล้วก็รู้ทันใจไปเลยใจเคลื่อนเรารู้ใจเคลื่อนเรารู้ในทีสุดใจก็อยู่กับตัวเองพระใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทางานเหมือนดูคนอื่นจะเห็นร่างกายทํางานเหมือนเราเห็นคนอื่นทํางานจะเห็นจิตใจมันทํางานได้เองความรู้สึกทางใจเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปบังคับไม่ได้หรอก นั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญาถ้าทํามากๆนะชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อวานได้ยินเขาส่งกันบ้านไหมว่าชีวิตเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนหมดเลยนะกระทั่งความรู้สึกนึกคิดโลกกระทัดอะไรต่ออะไรวิธีมองโลกวิธีอะไรเปลี่ยนหมดเลยเดิมมองโลกสวยงามนะมองโลกสวยงามคือมองว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีความเลวอยู่ที่คนอื่นนะดูไปดูมาโอ้ยเรานี่กิเลสเพียบเลยนะ พอเห็นกิเลสของตัวเองนะพอไปดูคนอื่นด้วยนะไม่เห็นอกเห็นใจนะโถมันก็กิเลสด้วยกันแนละ้วแหละไม่ดีไม่เลวไปต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเห็นอกเห็นใจเป็นโะล ก, กรทรศน์การมองคนอื่นการอะไรนะั้นก็ค่อยเปลี่ยนมองด้วยความรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้นมองด้วยความเมตตา ม, มากขึ้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจความทุกข์ก็สั้นลงเคยควรจะทุกข์แรงๆก็ทุกข์น้อยนะ อย่างบางคนเคยเจอปัญหาชีวิตถ้าปัญหาแบบนี้เราโว่าจะต้องทุกข์หนักทุกนานมหัดดูจิตดูใจมหัดภาวนานะรู้สึกรู้เท่าทันจิตใจไปเรื่อยต่อไปพอความทุกข์ขึ้นมานั้นทุกนิดเดียวทุกสั้นๆั้รู้สึกเลยชีวิตเปลี่ยนแล้วมาขอบคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปเทศนะ์นักคนมาขอบคุณเลยเลยบางคนก็ไม่เจอตัวนะมาขอบคุณ เราเห็นแล้วเราก็ดีใจด้วยบางคนก็มาขอบคุณเราเห็นแล้วเราสลดสังเวชเองจะมาขอบคุณได้ไงเองยังเล่เทอยู่เลยนะะยังนึกว่าดีเียมีนะพวกภาวาเพียรพวกติดวิปัสสนงวิปัสสนูอะไรเนี่ยนะยคิดว่าเป็นพระละหันนะต้องแก้ท้องอะไรให้แต่ว่าคนจานวนมากเลยแค่ฟังซีดีนั่นแหละวจับหลักได้คอยรู้ทันใจที่เคลื่อนหนีไปรู้บ่อยๆไม่ห้ามนะ อย่าไปห้ามเคลื่อนนะห้ามเคลื่อนเราจะเครียดเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ค่อยฝึกไปเอาไปกินข้าวไปนินมนต์เลยครับ